ร่งางกาสบายนะร่างกายสบายแคิดแต่ตร่างการ ม, มันจะทำให้เราหลับนะเดินหายใจแรงๆเข้าๆออก็เข้าอออกๆๆนะถ้ายังไม่หายก็เอาเมือนวดเนี่ยที่หูเนี่ยนวดสงข้างดึงเข้าดึงกัญญานเาดียวครับเดิึงไปตึงมาก็เดี๋ยวก็วต้น อ่งเอนหน่นนนดนวดดบิงๆใช่ไหม่า <c oughs> ่อ่าวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสงพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดจะเป็นช่วงเวลาตอนค่ำในการปฏิบัติของเพือเท กได้ยินด้ฟางจากผู้ ร, ร, ร, ร, รู้ทั้งหลายที่เราได้ศึกษานำมาประพฤติปฏิบัติกันนับว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาก็มากอยู่ตามรู้ทั้งหลายที่เราได้ศึกษาแล้นนำมาประพฤติปฏิบัติกันทำไม้วาต้องใช้เวลากันนานแลือจนแต่จะได้บรรลุมัรคผลมันไม่ได้เกิดจากชาตินี้ที่เิดได้กระทา ห า, ากถ้าใครจะมีความรู้ที่สามสารถจย้อนไปสู่ อ, อ, อติสังสยานกันในอาบิธได้แล้วใครรู้ไม่ได้ก็ฟังเอาตามความเป็นจริงว่าอติการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละทศแต่ลชาติเนี่ยบางชาติเราได้พบพระ พ, พุทเจ้าบางชาติก็ได้พบพระกเถรกับพุทธเจ้าบางชาติก็ได้พบพระอรหรันต บางท่ากับทัพราผู้เป็นพระอริยะตัคนจะไม่ถึงตางเป็นอาราหารันบางท่าแล้วก็ทศครูดาอาจารย์ที่เป็นดาบดบ้งพระฤาษี ด, ดัางในการเวนบ่ายใจเกิดของเราทุกคนเนี่ยไอ้ที่จะไม่พบสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยยากโอกาสที่จะพบต้องพบกันแน่ ในระยะอันใกล้ๆที่เธอได้เว็นได้ไปเกิดในท่วงระยะที่ผ่านมานี้นะโดยสิ <นะ S 2> ่งหนึ่งเนี่ยที่เกิดพบทุกข้ามนี่คือสิ่งที่ไม่ไม่เป็นไปตามศาสตตามป ร, ร, ปรัชนาของเธอที่เรียว่าขัดแย้งใจนำมาที่งความทุกข์ทนได้ยากเอีกอย่างพบทุกข้า และคนที่สอนให้เราต้นจากความคิดก็มีอยู่เกือบทุกชาติบางทีไม่ใครเรบก็ท่านจะเป็นบิดามารดาของเราเองนั่นแหละและกุลาอาจารย์หรือเพื่อนหรือบด็คนที่เห็นตาได้ตาต่อเราโดยเขาจะได้พกคำเตือนคำพูดค ำ, ค ำ, คำปลอบระโยนปลอบใจโยนใจเราปรเอปลอบใจเราให้เราคลายจากความเศ้าหมอง คลายจากความคิดเห็นในสิ่งที่ทําให้ใจจิตมราเป็นทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยสมมติว่าคนที่รักจากเราไปก็จะได้ยิงคำพูดว่าอย่าเสียใจนะมันเป็นธรรมดาถ้าต้องใกล้หรือว่าไกลตัวเราเองนักหลักนะที่ใ ก, กล้เราเรานั่นแหละก็จะพึดปลอบใจเราตัวสติเรา อย่าคิดมากนะอย่าคิดมากมันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วเกิดจากเจบดตายเป็นธรรมดาอย่าง น, นี้เราก็ได้ฟังกันมาเยอะ mm hmm. แตารวมตามน้วก็หมายความว่าเกือทุกชาติจว่าได้ที่เป็นมนุษย์ที่เธอจะไม่ได้พบคำเตือนหรือคาแบอกชี้แนวทางให้เธอได้คิดตรงใจแล้วก็ไม่มีแล้วต้องได้พบแน่นอน แต่ทำไมล่ะราเองที่ฟังจากคนอื่นเนี่ยเยอะมากเรารู yeah, ้ก่อนมากแต่ตัวเราเองกลับไม่สามารถจะเอาช น, นะเพื่ยอมรับนักถือในสิ่งที่ผู้รู้เขาพูดบอกเราท่านทั้งหลายที่มีความด้อยตาต่อเราโันอะไรบอกให้เราได้คิดแลวก็พิจนนารณาอยอานับนักถือแต่ลังคิดนะ คนอื่นพูดให้เราได้ยินได้ฟังเพื่อคลายตามทุกน์ในใจเราเนี่ยมีเยอะแต่แต่เราเองรี่จะพูดให้ใจเราคลายออกจากความทุกข์เนี่ยมันมีน้อยเพราะอะไรจะเป็นอย่างนั้น ทั้งๆที่ความทุกข์ไม่ยช่คนอื่นเขาเจอแบบนั้นเราด้วยเจอเองจ็บเองทรมานเองรู้ด้วยตัวของเราเองแต่เวลาคนอื่นเขามาพูดว่านี่อย่าคิดอย่างนั้นสิอย่าคิดอย่างนี้สิจึงพิจารณาอย่างนั้นจงหาหนทา ง, ท ง, ท ง, ทงต้นทุกแบบนี้เราก็เห็นดูนงานกับสิ่งที่เขาได้พูดได้พูดรู้บอกแล้วก็คลายอารมณ์ใจลงของเราลงไปได้ แต่พอเราไม่ได้ยินได้ฟังอีกน้อยเหตุการณ์นั้นมาเกิดขึ้นอีกเราก็กลับคุดเหมือ น, น, นเอดิมอีกพอเราได้ยินได้ฟังคำพูดจําเดิมที่เคเตื อ, อสติเราแล้วก็คลายอารมณ์ใจอีกสบายใจมันเป็นแค่ความสบายใจที่มีบุคคลเห็นใจเรามีบุคคลที่คอยพูดเตือนสติให้เราได้กลับมาคิดสหตามเป็นจริงแต่ตัวเราเองเนะี่ยยัง ยังไม่สา ม, มารถจะจ่าชนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจด้วยตัวเราเองเลยมันจะเล็กน่าคิดมือนกันนะว่าทำไมการบรรลุมรรคผลจึงจะใช้เวลานับเป็นอาสงไข่ตับทั้งๆตลาดทุกทุกทุกชาติจะเป็นมนุษย์เนี่ยเธอต้องมีโคลโครลโมีไมาริไกายตัวของเธออะยิ่ง ด, ดาของเธอกรดีมัรดากระดีมันชีกับ น, น, น้องเราที่เ ร, รายากเราเพื่อเรา เขาก็เป็นโคลนะมเป็นโคลคอยเจื อ, อนแล้วว่าอย่าคิดมากมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าคิดมากอย่าเสียใจเข้าใจไหมเขาก็คอยเตือนคอยพูดคอยตรัสใจเสมอแต่ย า, ยามที่เขาเจอเจอในสิ่งที่เป็นการทุกข์อย่างเราเขาก็คิดมากเขาก็ยังทุกข์ใจในทางกลับกันเมื่อเราเห็นเขาเราก็ไปกลับก็แบบอย่คิดมาก อย่าคิดมากมาเป็นธรรมดาปลงใจฉันนะอย่าเสียใจนะไอ็ต้ตนมีมากมายหลายรูปแบบที่เขาจะพูดพลัานาเพื่อให้ใจของเรานั้นคลายจากความเศร้าหมองมเธยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดายามใดที่เรามีความทุกข์เรามีความไม่สบายใจและไม่สามารถจะออกจากความทุกข์นั้นได้ถ้าตัวเองพยายามแล้ว พยายามไปให้มันไกลๆพยายามหาที่สงบสงบแล้วก็ถ่ายแล้วแต่คนที่ใกล้ตัวเราก็ไม่จะบอกว่าจะทําใจาอย่างนั้นถ้ามันทุกข์นะมันไม่สบายใจนะคิดอย่างนี้สินะแอยบรับจะเจอจะเห็นในสิ่ท่ฉันพูดอะไรบ้างเรื่องแรกจะเห็นไหมว่าทุกชาเลยอไม่ช่ ว, ว่าไม่มีครูอสอนเลย ทุกชาติไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาเตือนเลยให้มีปิติยับยังชั่นใจทุกชาติไม่ใช่ว่าโดยไม่มีโอกาสที่ยินได้ฟังคนเขาบอกให้เรานนั้นหยุดคิดหยุดทดุกข์หยุดไม่สบายใจให้คิดวันนั้นให้คลายใจ อ, อย่างนี้บางชาติเรากระโดดพบคําต่างๆกของเสด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าดางชาติกระโดยพบจากพธธาากระอรหันต์ดังชาติาาาดาโดยจากคุูบาอาจารย์ที่เป็นข้ารีสีเป็นาบาปเป็นพราม บ, บ้าง เป็นผู้รู้บ้างมันมากมายนะ้งจัดไดมากมายแต่เรากลับไม่ชนะใจเราความทุกข์มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ต้ำซ้งซักซากทุกชาที่เราเกิดมาพบแต่วความจริงที่มันปรากฏเจอเราตอนเป็นมนุษย์มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็ไหนแต่้าตไหนก็โดนเหมือนเดิม เจอเจอเรื่องเดิมเดิมและความคิดของเราก็เหมือนเดิมเอาชนะไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่าทุกรู้ว่าฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากไปเจอเรื่องแบบนี้อีกนะฉันเบื่อแล้วเกินแต่ก็ไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์นี้ไปได้ย้อนกลับไปสิดกี่ภาคกันแล้วย้อนถอยหลังไปสิเพ่อจะทำอะไระบ้างลองคิดคดูสิ แล้วเจอแบบเนี้ยเป็นปกติทุกท่าตินะแล้วเราจะรู้สึกคนที่ใกล้ใจเราคือคนที่พยายามที่จช่วยเราคลายความทุกเพราะอะไรก็รักเขาไม่อยากเห็นเราทุกข์สิบไหมเขากจะกระโจนในสิ่งที่เราจะ ค, คิดว่าจะช่เราคลายใจได้จริงไหมแต่เราเนะ่ะไม่สามารถหรอกตังนะฟัง แล้วจะคิดว่าสิ่งทีูนะเขาตันนาดสานอยูกัรมันจะคลายอารมณ์ลงไปหายติดๆหายไปพอเจอเรื่องเหมือนเดิมกลับมาใหม่สมติว่าพ่อตายรอ้องไห้คนที่รักเราเก็คอยแสบอารมใจอย่าเสียใจความเสียใจก็เริ่มคลายปใจไป อ, อยไปไม่นานแม่ตายร้องไห้ และผู้ดเทวรัตเราก็มาปลอกใจเราคิดมันตายเป็นธรรมดาธรรมดานะย่าคิดมากคิดมากคมเหลานั้นคลายอารมณ์ใจไปเอาบมดแลพ่อแม่ตายหมดแล้วใครตายอับี่ตายบ้างน้องตายบ้างลูกตายบ้างคนเหล่านั้นตายก็เลรับเคลื่อนมาปลอบใจบ้างบางทีมไม่มีใครก็น้องเข้าวัดพระจักรแสดงวัฏฏมาเทศนาตทำ ง, งานสดบ้าง ก็คลายใจลงไปบ้างแต่ก็ยังละไม่ได้แต่ขึ้นมาเป็นเพราะอะไรอะไรมาทำให้เราไม่สามารถจุชนะความทุกข์ภายในใจของเราได้เป็นเพราะอะไรมันน่าคิดไห ม, มเรามาเจอปันหาจุดทำไม แต่เราไม่คิกว่าเราโดยพระพุทธเจ้าครับก็อย่าคิดว่าไม่เคยพบก็เคยพบแต่บอกแล้วไเคยได้ไดยินได้ฟังพระธรรมเทศนาจะบอกว่าอย่างนั้นไม่ก็ไม่ใช่มันก็ต้องเคยได้ยินได้ฟังแม้จากการเกิดชาตินี้เคยก็ได้ยินได้ฟังมาตั้งหลายครั้งคำสอนของพระแต่เรูาที่ฟางสอนก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรกันมากมายนะักบอกถึงให้เราได้ยอมรับบอกถึงว่ามันเป็นทุกข จบมาไว้เราทําใจไว้เราตั้งใจรักษาศีม์ตั้งใจเจริญภาวนาตั้งใจหาความสงบในใจแล้วก็พิจารณาตามทางที่ครูบาอาจารย์ท่านถนัดในแนวทางของการเจริญพระกรรมฐานครั้งแล้วครั้งเล่าวนไปวนมาวนมาวนไปกี่พบกี่อาสงไข่ นักยาวนานเป็นชั่วอาสงไขมันก็ไม่มีข้อแตกต่างอะไรไปกระเดินที่เคยเป็นมาวนไปวนมาอยู่เพียงเท่านีน้แล้วก็ไม่ช น, นะใจเราสักทีเชื่อหรือไม่ว่าความทุกข์เนี่ยเป็นครูของเธอครูของเธอจริงๆเน่ยคือความทุกข์ ครูที่คอยพูดคอยบอกพูดให้รู้คอยบอกคอยดอกแบบนวทางที่พระพุทธเจ้าตรงจะจะอาขาตจาเราจะขาคัตาพระองค์เป็นเพียงแค่ผู้ชี้แนะแบอกทางชี้ไปตเป็นโครงที่ชี้แนะดอกทางแต่ครูของเธอจริงๆก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นด ก, กับตัวเธอนี่แหละมันย้ำตัวเธอตลอดซ้ำๆกับคามทุกข์เดิน ครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สานับเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งล้านครั้งที่นับกันไม่เพื่อนจะเพื่อนจะอยู่สักวันไหมที่จะเถิดมันต้องมีไหมต้องมีแน่นอนวันไหนที่เกิดคนมันไม่ได้แล้วจะต้องย้อนกลับมาหาเหตุผล้ทำไมเราต้องทุกข์จุดไหมแต่ก่อนนั้นนนั้ตามทุกข์เราไม่เคยหาเหตุผลเลยนะ แล้วใหคอย้านกลับมันมามันมาว่ามันมาจากไหนมันเป็นอะไรรู้อย่างเดียวมันทุกเราไม่ชอบเราคนไม่ได้เราเสียใจแล้วก็มีคนคอยช่วยพูดคอยช่วยบอกคอยชี้แนะหนทางให้เราได้คิดให้เราได้พยายามคิดเจะได้ความทุกข์ของใจของเราเนี่ยมันคลายตัวลงไปถ้าเราหาบุคคลที่ช่วยเหลือเราไม่ได้เราก็ต้องงงไปหาบุคคลที่เป็น พระบัางเป็นกรูบาอาการย์ช่วยเตือนชวยแนะนําแล้วก็ต้องบอกอะไรบอกทิ่งความทุกทายในใจของเราเล่าให้ท่าฟังเล่าให้ท่ารู้แล้วท่าก็จะพูดดังนั้นพูดอย่างนี้ให้เราคลายใจให้เราสบายใจเราก็คือว่าเราหมดทุกข์แล้วสบายใจแล้วกลับไปใหม่แตเรื่องมันมีเรื่องมาใหม่อีกเอาทุกข์อีกเอาเรื่องไปหา แไประบายความทุกข์ของใจของเราให้ท่าเดนึยินมได้ฟังแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทา่านกระสงสารก็ใจจะคิดอย่งนี้สิยมอทําใจอย่างนั้นทําใจอย่างนี้นะเอเราก็ได้สั่งพระทุกขอ์อธิบายใจกับใจยิ้มได้เราไปเจออิกร้องไห้อิฐที่จุมาจึกับเสียวใจสิ โดยที่พระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จา้าทรงตรัสว่าเราเป็นเพียงผู้บอกพรองค์ก็ทรงได้ทรงกระทํำด้วยเพียงเช่นนี้จริงๆจรงเป็นเพียงผู้บอกผู้ที่ศรัทธาและตั้งใจที่จะเดินตามที่พระองค์ทรงบอกโดยคนผู้นั้นต้องมีใจขนาดไหนหมายความว่าเขาหมดหนทางแล้วคี่จะดิ้นรนออกจากความทุกข์สุดไหม เขาพุกจนไม่รู้จกทุกข์ยังไงแล้วเป็นคิดว่าเดินทางเดียวที่เราจะไปคิดปฏิบัติตามพระสูตรว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงความรู้การานาฬิการไม่ได้สิ่งที่องค์ทรงจัดสอนเราเนี่ยมันคือตามจริงที่เราเจอะเจอมาแล้วจริงไหมพระพุทธเจ้าจะไม่กลับในสิ่งที่เธอยังไม่เคยเจอะเจอมาเลยสิ่งใดที่เธอเคยคิดมาแล้วเคยประสบมันมาแล้วเคยเสียใจมามากแล้วเคยทุกมาอย่าง จับจิตจับใจแล้วนั่นแหละคือครของเธอที่พระพุทธเจ้าพูดอสองเธอบอกถึงความจริงที่เธอกำลังประสบรบอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ต้องดับเพราว่าความทุกข์ทั้งหลายถ้าจะดับก็ต้องดับด้วยวิธีนี้ทีนี้แหละถ้าเราอยากจะออกจากทุกข์จริงจริงเธอจะรู้อนสายก็ะทาอย่างไม่ลัลงเลสงสัย แล้วก็คิดตามที่ดองตรงเพูดแล้วก็เชื่อยอย่างแบบไวติดใจตอนนั้นใจของ่ธอจะเป็นยังไงเครียอขาดรอยไหมเครียอสนิทไหมตัวของเธอเองจะเป็นผู้ที่ยอมรับนักเสื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าไม่ต้องมีความคิดต่อนเรื่องอะไรอีกแล้วพูดง่ายๆไปเลยเว่าเชื่อสนิท แล้วก็ไม่กลับไปพุกขอีกเลยสิ่งนี้จะเกิดขึน้นกับเธอได้เนี่ยมันจะเร่อยากนะยากนะที่พระพุทธเจ้กจแสดงพระธรรมเทศน า, าแล้วเตยทุกตามจนลุกมข่นมันกข์เกิดขึ้นได้ยากอาจเพราะความทุกของเธอสะสมมาไม่เพียงพอแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดที่องค์งสมุทตมะสัม พ, พุทจ้ากล่าวว่า าการมันเป็นบาลีพระุงฆการเป็นพระอรหันต์เนี่ยเมื่ อ, จ, าอาจิตตั้งมั่นนะปาญนาซึ่งความน้นทุกข์อย่างแท้จริงต้องเวียนไหวใจเกิดอย่างน้อยหนึ่งอาศงไขกำไรอีกแสนกับทำไมต้องยาวนานจงเพียงนั้นตัเราเห็นผลหรยังเพราะการที่เราได้ยินได้ฟังก็ดีผู้ที่พยายัม จะบอกเราให้คลายจากความทุกข์ก็ดีมีอยู่เยอะมีทุกชาติจะ ต, ตัวเรานั่นเนี่ยที่เอาความทุกข์มาเป็นโคลแล้วกลับมามองมันเนี่ยมันต้องฝึกสะสมจนหึดโดดขั้นจนชนิดที่เกลกยาฉันอยากจะออกกับจากทุกจริงๆมันถึงจะหันกลับม า, ม, ามองถึงปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หยุดใจโดมัน โหนคิดถึงคําสั่งสอนขององค์เสด็จพระทรงทันบรมมาสัจจะมาไขควาคิดพิจารณาโหนคิดถึงคําที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้มาพิจารณาโหนคิดเกถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ศึกษาในเหตุการณ์ของความพุกข์ทุกเอามาคิดพิจารณาถ้าขณะจิตนั้นของโจนดุนเนี่ยวาระดุนมันให้ผลใจของโจนมีความสุขเกิดขึ้น ตามแน่วแม่ของจิตที่อยากจะออกจากความทุกข์นั้นเด็ดเดี่ยวแน่นอนไม่อยากจะมีความทุกข์อีกต่อไปนําคำสั่งสารขาององค์เสด็จพระจอมใจบรมศาสดาได้ที่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดไปจำได้อามากับอุปนิสนาจิดมาเล่าเอาแค่นี้เองเ็หลุดแล้วจะกับไปทุกข์กับมันทำไมาอีกล่ะไม่ใช่ความจริงมาจริงอย่างนี้พระท่านพูดถูก ้ตรงจับถูกแล้วเราต้องทำยังไงเล่าเมื่อเธอรอง อ, อ๋มาแล้วหมายความว่าเธอไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่เรากำลังประสบพบคือความทุกข์แล้วก็สิ่งที่ก็พุเจา้าตรัสสอนเรานั้นจริงให้ออกจากทุกข์ด้วยวิธีนี้ที่ฉันพูมาในรบวนพอควรนะ แต่เราจะเข้าใจไหมที่ฝึกมาเนี่ยให้เราได้เห็นว่าอะไรเล่าที่จะเป็นโคลส์เราจริงๆถ้าไม่ใช่ความทุกข์มันจะคืออะไรความที่มันถูกเบ็ดคั้นจนเราทนได้ยากมัน่นแหละมันคือโคลส์เราจริงๆโคลที่ทําให้เรานั้นต้องหยุดจับมามองโคลที่เปลี่ยนสติให้เราต้องหยุดที่จะหาหนทางออกจากมันสิ่งที่มันทําให้เราเป็นทุกข์จริงๆ ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์เดี๋ยวว่าทุกข์ก็ไม่ไปสนใจว่ามันคือความทุกข์ยังมีคนตื่นยังมีสิ่งที่บรรเทาความทุกข์ด้วยวิธีอื่นจะต้องเยนว่าหตใจเกิดแบบนี P, ้อีกนานแค่ไหนถ้ามันก็คือเรื่องดำเนินถูกไหมเกิดมาทุกชาติแต่ก็ต้องเจ็บปวดเข่ามาสบายเกิดมาทุกชาติแต่ก็ต้องแก่ เกิดมาทุกชเกิดต้องพัดพลาดเกึดสิ่งที่เสียรัของชาติใจไม่เมีชาติไหนที่ไม่เป็นอย่างนี้เกิดมาทุกชาติกขาต้องตายมันมีอะไรที่มันแปลกจากนี้ไหมไม่มีหรอกเกิดมาใส่หิวแล้วเจ็บแล้วทรมานแล้วต้องทํำโน้มต้องทำโน้ม ต, ต้องมีภาระแล้วต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นสุขใส่ตัวแล้วและมันก็ไม่เป็นดังใจเพราะอะไรความไมาแ่แน่นอน ที่เราจะไงเที่ยงแล้วก็อยากให้มันเที่ยงอยากให้มันดีอยากให้อยู่ตรงตัวอยู่อยากให้เป็นนะังลังใจที่เราจะพัฒนามันก็ไม่หมดทุกสิ่งเพราะส่งที่ททเราอยากมันไม่เที่ยงแล้สิที่เขาพูดให้เราเจราว่ามันเป็นธรรมดานะหมดได้ก็มีได้มีเมื่อเดี๋ยวก็มีสว่างเออถูกไหม มีสุขได้เดี๋ก็มีเีก็ทุกไดทุกข์ได้เีก็สุขได้อย่าไปคิดมันมากแต่เราได้ยึนได้ามแบบนี้แล้วก็คลื่นใจให้เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเรืดีก็มีแต่เราบ้างหวังไหหวังว่าเดี๋ยวมีเรื่องดีๆหวังว่าเดี๋ยวมีตามสุขให้กับเราวังวาจเรสบายพอมันมีความหวังแบบนี้สุขมันเลื่อนสุขไหมเลื่อนไม่สนใจผ่านไป ตามทุกข์ทั้งหลายเราไม่คิดถึงมันแต่กลับไปคิดถึงเรื่องที่สิ่งที่ดีๆกำลังรอเราอยู่มันมีความหวังนี่แหละต้นเหตุที่เราไม่เคยย้อนกลับมาหาเหตุของการทุกแต่เราจะให้ตามทุกข์ ท, กที่เกิดขึ้นกลบเามันผ่านไปด้วยวิธีอื่นๆผ่านด้วยคนเข้ามาปลอบใจเราแล้วก็ผ่านไปผ่านด้วยเรามีความหวังในเรื่องหน้าก็ผ่านันไปทุกชาติกขาเป็นอย่างนี้และต้องเกิดอีกเท่าไหร่ เกิดมาให้เจอพุกพุทธเจ้าอีกือพระองค์เธอก็ไม่มีสิทธิทจะทนทุกข์เกิดมาให้เจอขุูบาอาจารย์ที่ดีขนาดไหนเธอก็ไม่มีวันทนทุกข์ากเสียละเลยตามทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเธไม่หวนกลับมาคิดอิกเจ็บไมจตคนเราโดยธรรมชาติถ้าไม่ทุกข์ซ้ำซาหนักจนชีวัตคนไม่ไหวแล้ว ยากที่จะหาเหตุยากที่จะหยุดใจมาฟังหยุดใจมาดูอุปมาเหมือนคนตกน้ําแล้วว่ายน้ําไม่ได้ถ้าว่ายน้ําได้เขาก็ไม่สนใจหรือ ไ, ไหมเขาพูดเขาม่แรงเขาว่ายน้ำเป็นเขาก็ว่ายน้ําออกไปจตกถ้ามันถึงเวลาที่มันไม่มีแรงใจว่ายแล้วนี่เวลาตอนนั้นเขาคงจะคิดอะไรอะไรก็ได้ให้ฉันเกาะมาเน่าเกา ะ, กะ ะตะประมาณข้อนี้กันในก็หมายถึงว่าถึงเวลานั้นเธอต้องหยุดใจธปกลับมามองนั้นอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องทำยังไงตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดของเธอนะเพราะเธอกำลังตั้งใจจริงๆที่จะออกจากมันถูกไหมเจโาของเธอจริงๆไม่ใช่ใจหวังพิ่งให้ใครนั้นมาช่วยเราคลายใจ ถึงแม้เขาจะเป็น่พื่อนของเราจริงๆทูตอธิบาให้เราคลายใจก็จริงแต่มันเป็นการคลายอารมณ์ใจเรานะไม่ได้คลายความโง่นะถ้าคลายความรู้สึกว yeah. ่าเราทุกเ์แลมีมีเพื่อนมีคนปลอบใจมีคนคอยช่วยให้เราคลายจากความไม่สบายใจออกไป ต่อเข้าใจไหมนี่คือปัญหาของเธนปัญหาของสัตว์สัตว์ที่ทำไมเราต้องเหยียบไหว้ใจเกิดเป็นยาวนานนานนานนานแล้วเกิดจากการเหยีไหว้ใจเกิดเพราะความคิดมันผ่านไปผ่านไปมันมีความจดจี๊ดคิดว่ามันมีอยู่เบื้องหน้ามันคอยจะสลับเกิดจากความคิดที่เกิดขึ้นได้เหตุเป็นไรเดี๋ยวทก็มืดเดี๋ยวก็มีสว่างนะว่เออ หมดมดไม่เป็นไรเ ด, ดี๋ยหาใหม่ได้เดี๋ยมีได้อย่าเสียใจตู้มันต่อไปเดี๋ย ว, วยมมรร ไ, ดได้อีกเดี๋ยวมาได้มาเดี๋ยวต้องได้มากกดิมอีกนี่ใครๆเขาก็พูดอปอบใจเรแบบนี้แหลนะนะธรรมดาไม่เป็นไรแต้แบบเนี้าตายไม่เป็นไรจะหาใหม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะอาป็นว่า ที่อยากมาลงเอยด้วยวิธีแบบนี้กันทพีงสิน้นน้อยนักที่เคยจะมีโอกาสได้เข้าไปฟังพระแล้วก็ตั้งใจรักษาจงจริงจังน้อยนักที่จะมีบางคชาติที่จะเข้าไปเจริญภาวนาทำสมาธิน้อยนักที่เคจะปฏิบัติตามที่คุณาอาจารท่านสอนอย่างจริงใจมันก็เป็นไปเพียงแค่เราหาทางออกให้กับตัวเองได้แล้วว่ามันช่วยใน า, าลักอารมณ์ตามที่ขเขาทำไม่กลับมาหาเราใหม่ แต่ความงอหยิบได้หายไปไหนมันก็ยังฝังเก็บเอาไว้ในใจเราเก็บเอาไว้เป็นของเน่ามาอยู่ในตัวเราเรื่อยๆไปหนักๆเข้าหนักๆเข้ า, ขามันล้นมาทางปางแล้วถึงเพิ่งรู้ตัวว่าเราเก็บของเน่าไว้ไปเยอะทนไม่ไหวและะ้วตอนเมื่ออะไที่มีคําว่าคนมันไม่ได้แล้วถูกดุขันหนักขนาดนั้นแล้วจะต้องหยุดใจนะหยุด หยุดที่จะคิดหยุดที่จะกลับมามองหยุดที่จะหาหนทางการปฏิบัติจริงๆล่ะว่า น, นั่นแหะถีงเ้จะสมนทุกดูอยเรื่องท่านจักาจาราเสรีคืเคอได้ยินได้ฟังที่พเดชกับคุณหลวงพ่อเล่ามาอใครเคยฟังก็คงจะได้รู้แล้วนะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไงถ้าใครไม่เคยฟังก็เล่าเล็กให้น้อง ถ้าสมัยชาตนั้นของท่านน่ะมีคว า, สสามสุขดุ์ศักดิ์ศัก็เป็ูกเศรษฐีศัก็พ่อแม่สงเคราะห์ทุกอย่างตามความปรารถนาของท่านศักดิ์็ท่านไดการดูแลอย่างดีอย่างดีมากไม่เคยมีความทุกข์ไม่มีเคยมีเรื่องขัดข้องหมองใจทุกคนตาอกใจนะให้ทุกอย่างขาดอะไร ล, ลูกได้ทั้งหมดเหมือนเรื่องลูกเหมือนกับเรื่องอะไร เล่นรถในกรงทองอะไรอย่างนั้นเนี่ยวกัมีอาหารแล้ว เ, เป็นเจ้าเป็นสาวจนวันหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นเดบตรกรรมของท่านไม่อาจาละ่ะเดบตากรรมของท่านนาั่นแหละได้ไปมองเห็นชายผู้หนึ่งที่เป็นใจยบาดบูนเป็นคนยากจนใจเกิดมีตามรู้สึกแบบอยากได้เขาเป็นสาวมี แรงของกรรมนะมันยังไม่ท่านอะคนไม่ไหวที่เจะอยู่มันไม่ที่นี่มาอนและวท่านก็คิดหาอุบายที่จะหนีตาผู้ชายคนนี้ไปแล้วท่านก็ทําสําเร็จแล้วก็ไปอยู่กับผู้ชายีนนี้ในป่าที่ลําบากมีไหมมีความลําบากไม่เคยอดอยากก็อดอยากเคยสบายเคยได้อะไรได้ก็ไม่ได้ดังใจต้องหาเองต้องทําเองต้องทําทุกอย่าง ใจก็ไม่เลิกทางแล้วใทนไหมทนนะคิดว่ามีผู้ชายที่เป็นเทวรัตหรรอสามีเป็นเทวรักทนได้ทุกอย่างกับก้อนเกลือติ้มก็เอาได้จนอยู่ไปอยู่มาเธอก็ตั้างขันเธอใช้เธอก็ต้อ ง, นองหนีสามีเพื่อจะเบ้อขบุกที่บ้านของผู้เป็นบิดา ถ้ามันเป็นประเพณีของพราหมณ์เขาต้องอย่างนั้นจะก็ไม่ได้ไปสามียับยั้งเขาจะไปยังไงไปเป็นก็ถูกฆ่าจุ๊บใช่ไหมหาวัลคพาเจอลูกสาวเข้ามามแต่ภรรยาก็หนีหนีก็ไปเจอกันแล้วก็กลับเพรว่าขอลูกแล้วกลับเดยไปอยู่มาแม่ยาก็ทออิดคนที่สองท่านก็คิดบอกสามีว่ากันต้องไปบ้านเป็นจะไปขอลูกที่บ้าน สามูก็ม่ยอมให้ไปแล้วก็เอาใบนี้อื่นสามูก็มาตามทันในการทางเกิดวันนั้นมันเป็นวันที่วิประโยคของท่านฝนฟ้ามันก็ลงระเนระนาดตกอย่ละห่าท้องของท่านเนี่งมันก็เป็นขั้นที่ว่ามีาการออกจะเบ่งออกมาถ้าเป็นลมก็มาสสวาดจะค้อลูกสามูเห็นยังไงก็คิดว่าตรง ก็จะเอาภรรยามาเป็นหลบแรงลมแรงฝนที่ตรงไหนดีก็เดินพากันไปแทนที่ว่าเดี๋ยวท่านจะเยือนดูก่องถ้าก็เดินหามเอาเดินเดินไปก็ไปเเอาเจ้าโงมันเป็นจอรปกที่มันจะโง่กับอะไปอย่างเงี้ยคอยบังลมบังฝนได้แต่กรเทียมตัดกิ่งไม้ก็พอดีกรรมบุตรกรรมมันเป็นเช่นนั้นอยากทาให้งูเห่าที่ม่อยู่ตรงจอมปลกนั้นาออกมาแล้วมันก็กัด ประกาศสามีตั้งเจเล่นตึงตายผู้เป็นภรรยาก็ไม่รู้ว่าสามีตายผจจาลก็ตกไปเยอะเทน้ํำเทชาไปเ็จะตาจะตรึงดวงตรึงอย่างลมกระรานลูก อ, อีกคนก็จะเอามาปกกอดไว้อีกคนก็จะออกแล้วก็ออกมาออกมากทนยังไงก็จะเอาโจกค่อมไว้นะค่อมเ ล, อมลูกน้อยที่ออกมาใหม่ความทุกข์ไหมยางทุกข์แนี้ก็อย่าง กันฝนันรซาแล้วท่านก็พยายามที่จะไปตามหาสามีปรากฏว่าเขาสามีตายเสียใจไหมเสียใจอย่างมากนี่คือเสียใจว่าสามีตายไป็นอ่งคราวนี้ว่าที่พึ่งของท่านไม่มีก็ต้องกลับบ้านระหว่างกลับเดินทางกลับน่ยมันมีเนี่ยมันมีน้ําที่มันฝนตกตอนนั้นน่ะมันแรงน้ํามันเยอะขึ้นแ่าวก็ต้องเดินข้ามมันไปที่จะเอาลูกไปกี่เดียวสองคนถ้าก็ไม่ถนัดก็เอาลูกน้อยคนล็ที่เกิดมาใหม่ไปก่อน ก็โอมไปแล้วหาใบไม้เอาอะไรมาลองไว้วางมันโล่งๆแล้วท่านกระเด็นจับตัวมาลูกเต็มโตเนี่ยท่าน็ะยืนหัวกลางระหว่างแม่น้ํำสะดุดเหยื่เฉยวโฉบมาจากไกลปฟ้าจับนี่ก็เป็นก้อนเหยื่อก็ฟ้าก็ไปจับถ้าเป็นแม่ก็ร้องตะโกนไล่ขับไล่บกไม้บกมือไล่ไปไปไอ้นกนกมันไม่สนใจใช่ไหมมันเห็นเหยื่อก็ฟ้าหมักดินขึ้นไปก็ตะโกนเรืย ลูกชายคนโตเห็นแม่ยังไงก็ได้ก็แม่เรียกหาก็ได้เดินลงน้ําไปหาแม่ก็สุดแรงน้ําพัดไปจนน้ำแต่น่าตาตาก็ตายทั้งคู่สองคนแหละสองคนก็สร้างโศกโศจกุดยางไม่ทุกน่ะยังมีที่พุ่อนคิดว่าเราต้องกลับไปหาบิดามารดาสิยังไงเสียก็ยังมีพ่อมีแม่ใช่ไหมสามีตายลูกตายก็ยังมีพ่อมีแม่เป็นี่พื่อนนะ พอทำให้ใจยังมีหวังมีความหวังน่ะไม่หมกเอาซะเลยก็ระหวางทางกลับไปก็พักใจเพื่อนึ่งกระโดดเสวนงทันนะให้ก็เลยถามว่ารู้จักที่เป็นชื่อนี้ชื่อนี้ว่าชื่อบิดาบันดาของท่านต่กระโอดจะถามฉันเลยแล้วถ้าจะถามอีกครั้งช่ดอกฉันหน่อยเถิก็รู้จักไหมที่บอกเมื่อคืนนี้จะรู้ไหมว่าฝนตกรู้มันตกเพื่อขันฝนตกมาเนี่ยนะ ตกมันตกเพราะฉันเพื่อฉันเองแต่บ้านของบ้านเสรจฐีนั่นน่ะตกฟ้าผ่าใจไม่ครอทั้งพ่อทั้งแม่และพี่ชายตายหมดแล้วถ้าได้ยินอย่างนี้ก็จะเหลืออะไรอีกครับส้าตกสมญญาณนี่าจะไม่เหลือแล้วจใช่ไหมคือตามหวังไม่มีแล้วมันตดขึ้นแล้วทิ้งตามหวังเห็นไหม แรกมันทุกข์นะเสียใจใจมันมีความหวังมันก็คลายตามทุกข์ไปนะดานะลูกสามีตายเอาไม่เป็นไรถึงจะเสียใจก็ยังคลายตามทุกข์ไปก็ยังมีลูกอาลูกตายไม่เป็นไรยังคลายตามเสียใจได้บ้างเพายังมีพ่อมีแม่มีพี่ชายมีบ้านนี่จบเลยเอาอะไรลนะ่ะจะนึ้ว่าทุกข์ทนะี่จบไหมคามทุกข์งขั้นที่ท่านไม่สามารถจะควบคุมสติสัมปชัญญะของท่านได้แนละ เป็น ก, กายเป็นคนจะร้องให้อย่างไ ม, มไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาต่อต า, ใามใจ ท, ท่านไหนสิ่งเกิดเสื่อมท่าหมดกายเป็นคนบ้าไร้สติสัมปทาญยะเดินร้องห h o ร้องให้ตดตามหมู่บ้านถ้าได้านกระพานไอ้นั่นเฟื่องเอ้นั่นไล่อีบา้าอิดาไปไปไกลไก ล, ไกลอย่างนั้นแต่ว่าบนที่ท่านได้การทำมาในอดุตี่จะบริสุทธิ์บรราบไปอรหันมีอยู่ ก็เข้าขอบขาพยานขององค์สเสดพระตรมก็ทรงเสดสโตเมื่อพระพุทธเจ้าเสดจโตก็เดินใจให้โสภาโดนมาหาพระองค์กระเดินเข้ามาไปกระเล่ามาร้องให้เจาท่าไม่มีนะคนรักจิบกันจะเข้าไปไม่เข้าไม่เข้ า, าการไม่เข้าพระเจ้าอากให้เจ้เข้ามาเจอพระพุทธเจ้า ก, กตต็ตราสตรัสเป็นเรื่องอะไร แต่เป็การเศร้าโศกเจียวใจของท่านนี่ส ม, ามาัยก่อนน้องหญิงน้ำตาของเธอที่ต้องร้องไห้เนียเนความเตร้าโศกเจียวใจกับคนที่รักจากไป น, น้ํำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังไม่เท่ากับสิ่งที่เธอร้องไห้เลยมันมากกว่านี้แต่ที่ว่าเธอร้องเบานักหขนาดนี้แล้วเนี่ยบุญได้มาทําให้ท่านมีชุดชิดสิงที่คำสต่งคาเจือนขององค์เสด็จพระธรรม ส, สัจมาสม่ที่ตรงสั่ ออกไปท้าไม่ท่านมีกระติกกลับมาพอท่านมีกระติกกลับมาทุกท่กกรรานก็ละอายก็กรราายมีคนเยีนผยาให้นเพจจากก ร, ร า, า, า, าระพะเจ้าก็แสดงพระธรรมโดยปันาเ า, า, า, า, นะรร า, าแลา้วท่านก็ตั้งใจดวดเป็นพระพิสุนี้จนวันหนึ่งท่านอาบน้ำพระธรรไม่จิตนะน้าท่านก็ราดไปจากตั้งใจิตางไปมันก็ไหลผ่านแต่ว่าก็หายไปใ้เกาพิจารณาามความเป็นจงทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยง แต่ดเก้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่ท่านจะบพบกวามจริงคือบิดาบรรดาผู่ชายลูกของท่านสานของท่นไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดสิ้นแล้วไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราจริงๆการที่พระพุทธเจ้าตรัจริงๆ ท, ท, ท่านก็เลยจับจิตเป็นพระอาราหันตที่ท่านยกตัวอย่าง่งนี้ขึ้นมาประกอบที่บพบุทธศาสนาต้น เห็นไหมว่ามันไอความทุกข์เนี่ยนะถ้าตราใดที่มันมีความหวังอย่างอื่นมีคนพูดปลอบใจและมีอะไริไ่ใดที่ทําให้คายอารมณ์ไปมันก็ไม่ต้องกลับมาคิดอีกผ่านแล้วผ่านไปเห็นไหมพลานไปเราก็ไม่สมาหาโหดหาผลห า, าลความสุขมาจากไหนแล้วเราจะต้องหาที่จีบดับความสุขด้อะไรไม่คิดแล้วไ ม, ม่เคยปรุอย่างนี้มาเท่าไหร่ที่พระพุทธเจ้าตรั ส, สจริงนะน้ำตาของเจนี่ต้องเส้มเสียไปกับความเศร้าโศกเสียใจ แต่ดเที่ยวรักจ่าไปน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ยยังน้อยไปนะพอไรจะร้องให้หยัดชาดัเท่าไหร่และน้ํำในมหาสมุทรทั้งสี่จะมากแค่ไหนนั่นหมายว่าต้องเกิดมาเกี่ยวออกเกี่วใจนี้เท่าไหร่เรยอะไหมนับกันไม่ทุ่นกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอารานแล้วเจ้าที่ แสดงให้เธอได้คิดกันเนี้เธอต้องกลับไปคิดนะเวลาเรามีทุกข์แล้วเนี่ยหันกลับมาคิดหันกลับมาหาเหตุของความทุกข์มันมาจากไหนหาวิธีการดับทุกข์ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราในตามรู้ที่เธรู้มันมันมากมายเยอะแยะไม่น้อยเลยเธอได้ยินโดยฟังมาตั้งแต่ด็กก็เยอะเราได้ยินโดยฟังสิ่งที่พระเดชคุณหลวงพ่อสอนเป็นเทศเป็นหนังสือก็มากมายเยอะแยะ จิดเป็นพุก่อเยอะแต่มันจะพูดยังไงก็ตามฉันจะพูดแต่หน้าเธอในเธขณะที่มีพุกก็ตามก็ไม่ใช่เ่อสิ่งที่ท่านพูดจะทำได้เสร็จบริุทธิ์ทำได้ณระยะเวลานั้นเพียนแค่อารมณ์ใจของเธอมันคลายตามเศ้าหมองแต่สิ่งที่เป็นเชื้อของตามทุกข์ของเธอไม่ได้ดับสิ้นไป เจนก่าเธอจะไปเจอด้วยเจงเจออีกแล้วเธอคิดว่าเราทนไม่ไหนแล้วเราจะทำยังไงมาทำให้เรานึกถึงไหนึกถึงคำสั่งสอนนึกถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาคิดพิจารณานั่นแหละเม้โดยที่เธอบมาหวคิดพิจารณาไหม่ด้วยเจองของเธเองโดยไม่ได้เอาคนอื่นมาพูดให้เราฟังเราก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ตอนนั้นมายถว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ด้วยเองเราจะไม่ทุกข์าจเท่าเดิมอีกแล้ว ผลของใจเกิดขึ้นแล้วคือตัวเราคิดเองตัดสินใจเองเชื่อเองไม่ละงับสงสัยเองอย่างนี้ก็เป็นทางของบุคคลไม่น้อยที่ต้องเป็นอย่างนี้บางคนก็เป็นเพื่อมีจุดศรัทธาอันมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมก็คิดตามพิจารณาตามก็บรรลุธรรมบางคนก็มีศรัทธาต่อพระาากกสีนกกสัจกเจก้าเสด็จ อ, าอาราหันที่เป็นคู่ตัดกัน ผู้ตามคิดตามพิจารณาตามก็เป็นอรหันต์ได้เป็นพระอริยะตุวคนได้ตั้งแต่โสดาบันได้บางคนก็ต้องกลับไปคิดเองพิจารณาเองแต่ความทุกข์ที่ตนจะต้องเจอก็เจอได้ตัวเองนั้นในจลิตนิวรามเป็นจิตของใจละคนมันไม่มันไม่เหมือนกันจิตนะบางคนศรัทธาเจริญสงส์โอกาสที่จะฟังจากพระและเชื่อพิจารณาในสิ่งเชื่อใจเองมีทุกอยู่ ก็มาเลธิ์าำได้ง่ายเป็นคนมีเป็นพูทธาจริญฉลาดฟังหวนโดนมันไม่สามารถที่จะฟังจากข่้นมาแล้วจะมายอมเชื่อเลยมันก็ยังยากก็ต้องกลับไปคิดพิจารณาอีกแต่การคิดพิจารณาในขณะที่ตนเองไม่คุกแนี่ยเจ้าเราไปนั่งสงบสงบแล้วหวนคิดในสิ่งที่คุณอาอาจารย์สอนหรือพระท่านพูดแะไรไม่คุก มันไม่สามารถที่ทาให้ใจของเจอเนะี่ยยอมรับมันแค่รู้ว่าใช่จริงเป็นเช่นนั้นจริงๆแลวเราก็หลงคิดว่าเราเน่ะเข้าใจแล้วมันเป็นสัญญาของของปัญญาคือสัญญาของปัญญาของผู้รู้แล้วเราก็คิดยินั้นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆในเวล า, าที่เรานั่งทำมสมาธิโดยสงบคิดได้พิจารณาได้ นี่เราบางคนไม่ใช่ทุกคนนะที่พูดนี้ไม่บอกทุกคนต้องเป็นแบบนี้นะแต่ตัวลักษณะของจิตบางประเภทหรือบางดว ง, งก็เป็นลักษณะอย่างนี้ที่จะต้องเอาความทุกข์เข้ามาคิดกระดึกใจตัวเองบางท่านผู้มีปัญญามากแล้วก็ไม่ต้องอาศัยความทุกข์จะไปพัฒนาพุทธะาด้วยความสงบสังกัดวระบุญกุศลให้ผลก็บรรลุธรรมได้มีเยอะแย ะ, ยะ ดังต่ละท่านต่นละองที่ได้บรรเทขาทำจึงตกต่างกันไปด้วยสิ่งที่ท่าน่านโลกมาผ่านชีวิตมาผ่านการเรียนรู้มาจตกต่างกันไปบุคค น, นทุกเท่ากันแต่การเรียนรู้ในธรรมแตกต่างกันไปถ้าจะเกิดมาเหมือนกันชาตินี้แต่อีกคนเขามีโอกาสสนใจในธรรมเขาได้ยินด้วยฟังธรรมะสะสมความปัญญาของเขาไวความรู้ของเขาไวเยอะจนเขา ถึงจุดที่เขาสามารถจะบารลุทําได้เขาก็ไม่ต้องอาศัยคามทุกข์เป็นตัวเดินใจเขาต้องยอมรับทุกมมัน ง, งาน่ายแต่บางท่านเนะี่ยตามทุกขนะ์เนี่ยมันมีอยู่เป็นปกติแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มาไประทุปฏิบัติทางการดจเอาไว้สะสมมันมีน้อยเพราะมันมีสิ่งอื่นคอยช่วยให้เขาคลายทุกได้ถ้าทุกข์เอามีคนช่วยเอาทุกข์มีคนจับใจเอาทุกข์ไปหาคนนี้ที่เป็นที่รักของฉันถ้าเขาอยู่กับฉันเขาสบายใจ แต่เขาพูดอย่างนี้ฉั้นหายสติปทุกแล้วใช่ไหมนี่มาเป็นแบบนี้แต่เพื่อที่ต้องพึ่งคนอื่นอย่างนี้ต้องมีพุกเป็นเครื่องการันตีแต่เพื่อที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็าอาศัยปัญญาตัวเองเป็นเพื่องเอาชนะกิเลสปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็ต้องอสะสมความทุกมาเหมือนกันจริงไหมถึงนะ้ ดังที่ท่านพูดวันนี้ก็คือไทยศิลได้กลับไปพิจารนาว่าเราจะชำนะญกีโหลดโมจอยของเราด้วยเหตอะไรนอกจากาความสงบหนทางที่พาาระพุทธเจ้าแสงเรามีสิงห์มีสามาธิปัญญาแล้วเธอต้องสาดที่จะมองดูความจริงในสิ่งที่เป็นตัวเราว่าคนอย่างเราในี่ยใครสอนเราได้ถ้าหาคนสอนเราไม่ได้แสดงว่าเราเป็นคนที่ดูกับคนอื่นเราต้องสอนตัวเองไหม สานตัวเองไอ้การสามตัวเองเนี่ยถ้าทุกข์ไม่จับใจเนี่ยมันจะยอมนะไม่ยอมไม่ยอมเด็ดค่ะแต่ถ้าบางคนเป็นค น, น, นเหนือออกร่ า, ง, า, ง, างง่ายสอนง่ายยันนี้เขาพูดกขาพูดอะไรเขาคิดจะกจริงก็ใช่ากับ ต, ตัวเองเกิดมาแล้วไม่ต้องเจอทุกข์มากๆพอที่จะคอยตามพิจารณาตามและปฏิบัติตา ม, ะะตตามก็บรรลุธรรมได้ แต่ฉันดูในนี้แล้วมันมีน้อยรู้สึกโอหัวของตัวมันแข็งตงึงเคาะแล้วมันดึ้งกัางวานดึ้งดึ้งกันอย่านั้นเออจีนต้องเกิดมายาวนานเลือดเติมนีและนะเอเอแล้วเรากลับไปคิดกันนะฝากไว้อย่าเพิ่งเชือ่อมันเป็นแค่จัง มองภาพาให้โกรดให้เห็นในสิ่งที่เคยกําลังเจ็บกำังอยู่แล้วตัวกำลังมองคิดว่าเราควรจะทํายังไงเพื่อความพ้นทุกข์ของเราจริงๆควรทําอะไรควรจะรู้จักหยุดใจเราหันกลับมาหาความทุกข์ที่เราเป็นอยู่ไหมได้เส่วเนเล็กน้อยก็หยัดทอดทิระไม่ควรจะประมาทในการดํำรงตงิ ด, ง ด, งดงของเราให้มีสติเกี่ยวกับสิ่งสมาธิกับปัญญ า, ถ, าถูกไหมเพราะสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นคํา ที่มันไม่ไม่มีคำํากัดตวามที่อธิบายจะเป็นสิ่งตรงๆที่ตัวต้องทาเ็นคือคนป ก, กติคนป ก, กติต้องมีสมิาสถูกมคนป ก, กติยมไม่ทำตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องการทาให้คนอื่นเดือดร้ อ, อรนยเจตนาคนป ก, กติไหมป ก, กติเขาต้องการการกขต้องการมีมุส ในการอยู่เพื่อนนั่คือเป็นปกติที่เรื่อศีลจะก็ต้องจับสงบใจไม่ให้มีวันางวันใจเสียวยากยะเราควรจะหยุดคิดอะไรบ้างมันต้องมีนะต้องมีแ้วถ้าเรามีทั้งศีลอยสมาธิปัญญาจะต้องเกิดไหยเกิดแน่นอนอันนี้ปัญญาของเราในเวลามันสงบนิ่งๆมันก็คิดเพลนๆได้หรือถกอว่าวนวกไปวนมาวนมาวนไปก็เหมือนเดิม ไม่เห็นมีอะไรมันพิสดิกนิตนี้มันไม่มีการชั่งใจเขารีกว่าเห็นโนรานเปล่าอย่างนั้นนะแต่เวลาเราโดยจะพุทงเข้ามาชนิดมีเรื่องสกิจจจารสน่ธแล้วมันเพลกเข้ามาในใจเออใช่วะจริงวะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยยอมรับนะยอมรับนักสือพระจารยยอมรับแปลว่าใช่จริงนั่นแหละ มันก็จะอยู่กับเราเป็นผลเป็นของใจเรานั่นค่อยๆอ๋อ๋อจริงว่ะอ๋อใช่ว่ะนั้นก็ต้องฝึกสติหน่ไ อ, อ้เหนังหนาหน่อยก็ต้องโดนอาวุธแรงๆหน่อยนะหนังบางๆก็โดนน้อยก็เจ็บได้สุดๆไอ้หนังหนาก็ต้องโอ้โหปักปั ก, กนะโอ้คุณจะรู้สึกเจอว่าทุกข์แล้วจริงๆมันทุกข แต่ก็ไม่อยอมรับไม่สนใจมันถือว่ามันเป็นธรรมดามันจะเรื่องธรรมดาความทุกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามันเดือทางออกเดี๋ยวอีกก็ได้ทำนี้ก็ได้ทํานี้ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็มีเครื่องที่ว่าไม่กระได้ใจก็ลืมไปซะลือนมันะก็ได้มันได้ถึงมันก็ได้นั่นไม่ใต่างออกที่จริงหรอกนะ<ม>ถึงดูว่าดี แต่ก็ไม่ใช่สังออกที่จบจบถ้าออกจริงๆริงเต้องหาเหตแล้วก็ดับที่เหตุว่าเราทุกขเพราะอะไรแล้วก็หยุดใจมอนหรือว่เราทุกข์เพราะอันนี้อันี่ทำให้เราเป็นทุกข์นี้เองอย่าไปสนใจมันอย่าไปยึดติดมันพอเรารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนแล้วก็ดับกันตรงนั้นระดับไปตรงนั้นปุ๊บทีหลังมันไม่กลับไปอีกแล้วเคเกิดเหมือนเดิมกระดากใจใครด่าก็ยิ้มใครว่าเราก็ยิ้มได้ พัดเสียไปก็ไม่เสียดใจขยะไปก็เอาอไปไปขโมยไปก็ไม่เสียใจเมื่อหมดไปเห็นไหมพี่น้องลูกเสวใจเมีตายก็ยอมรับได้จิตใจต้คิดว่าเป็นเรื่องปกตินี่มันคาว่าธรรมดาแมไม่ใช่ธรรมดาตามที่เขาพู่แล้วนะจะเป็นธรรมดาที่เราเห็นเหตุเห็นผลแล้วนะเห็นกางเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามันเป็นธรรมดาจริงๆจิตนั่นก็เลยไม่ต้องหวั่นไหว พอเข้าใจไหมพยาามที่จะพูดให้มันง่ายๆนะนะเตอให้ตัวได้มองถึงข้อที่คนจะต้องนำไปปฏิบัติว่าตรงไหนล่ะหากว่าเราต้องการทอนทุกข์เราควรจะทําอะไรเริ่มต้นทําอะไรแล้วควรจะคิดตรงไหนที่ทำให้เราบรรจุจากคามทุกข์ไปได้แล้วเราควรคิดยังไงที่ความทุกข์ที่อยู่อยู่ละเดี๋ยวก็หายไป รถต่างหายไปแล้วเราก็คิดว่าเราสบายเราไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่ได้ตั้งใจรักษาจิและคิดว่าเรามีสินครบอปก็ไม่ได้ฆ่าจาัดก็ไม่ได้รักทรัพไม่ได้ไปติดรูปติดเนื้อใครไม่ได้ตั้งใจโกหกใครไม่ได้กินเหล้ามียาก็คิดว่าเราเป็นคนมีสินแต่จริงๆยังไม่มีสิ่ง คนมีสิทธ์ต้องเป็นคนที่มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ว่ารักษาทําไมทําไมต้องรักษาไม่ใช่คว่าเราไม่ทําแล้วเราไม่ฆ่าสัดแล้วเราเป็นคนมีสิิเราไม่รักษาแล้วเราเป็นคนมีสิทิเห็นไหมเน้นเทรดาก็มีจิทธิ์ด้วยตรงทำไมพระพยยุทธเจ้าตังหัดท่านทั้งหลายจงตั้งใ จ, ง จ, งจงรักษาสิทธิ์ห้าสิทธิ ศิลป์ศ <German> ิลปิสองร้อยี่สิบเกิดจะสงสารให้ตั้งใจรักษาทําไมในเมื่อ <Apa> วันนั้นไม่ต้องฆ่าจะต้องรักทัพย์ไม่ต้องจิตลยกจิตเมียใครไม่ต้องโกหกใครไม่ต้องกินเหล้าเมายาจริงไหมข้อมี้จิตทุกอง์น่ะข้อนี้ฉันใดก็เหมือนกันการพิจารณาธรรมก็เหมือนกันนะหากเราไม่รู้ที่มาที่ไปและเหตุและสิ่งที่เกิดสืบผลอะไร เราจยึดติดตามคิดในใจของเราว่าเราดับทุกข์ได้ในตัเวเราเป็นันไปไม่ได้เหตุผของคนอื่นไม่ใช่เหตุผลของใจเธอเขาพูดนะสุจะเป็นเหตุผลของเขาเหตุผที่เขาเข้าใจแต่เราไม่ยังไม่เข้าใจแจะคิอว่านั่นผิดใช่ถูกต้องที่แหละมรคนไม่เกิด ก, ก, กับคนได้ยากก็เพราะว่าเขาไม่มองตรงจรุด น, น, นี้นะนั่นตัวเจ้คน พยายามนะพยายามกลับไปลองสะเทือนพิจารณาและฝึกแต่ตรองให้ดีสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยลองกลับไปย้อนทพิจารณาแล้วจะได้เห็ว่าข้อบกพร่อ ง, องของเราเนี่ยมีเยอะเยะแต่จะได้เห็นว่าสิ่งใดเราก็ต้องทําที่เป็นข้อบกพร่อ ง, อ, งองของเราเราจะตั้งใจละสิ่งที่ทําได้ใจเราเป็นทุกได้อย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นและก็ตรงทางที่สุด ถ้าครยังม่รูก็ค่อยๆสะเทืเอนคิดเอานะใช้เวลาหน่อยย้อนไปทบทวนในสิ่งที่ท่านพูดสักหน่อยแล้วคิดดูว่าท่านพูดจริงไหมอาการของใจเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องบอกใจเราได้ว่าเราเนี่ยไม่ลังเลวสงสัยคือเหตุผลเหตุที่มาที่เราละได้ผลที่ใจะละแล้วเป็นอย่างไรนั่นคือเรกว่าเราสมบูรณ์ใน สิ่งที่เราละความทุกข์ในเรื่องนั้นนั้นแต่ถ้าไม่มีเหตุมีผลอะรแล้วมันเอาเหตุของคนอื่นที่เขาพูดเหตุผลที่เขาอบระหล่นใจเหตุผลจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้จากสิ่งนู้นแล้วเราคลายอารมณ์ทุกข์หมดใจหมดใจไปตอนนั้นอย่าอย่าคิดว่าเราละได้แล้วสบายแล้วกูไรแล้วนะพใจได้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งสอนะ อย่าเพิ่งจะนองกังนว่าเราถึงแล้วนะคนถึงแล้วก็จะมีเหตุเป็นประกจำตัวของเขาเลยว่ามันเกิดจากเข้าใจแล้วเหตุที่ทําให้ตัวเองไม่ทุกข์ใจก็เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้ น, น, นอย่างเช่นเราโดนตัดตายแล้วเราก็เลยว่าตัดตายเนี่ยมันเรื่องธรรมดาของทุกคนเกิดมาต้องมีกรรเป็นของตนเราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเขาให้ตาย นั่นสิ่งที่เราไม่มีเจตนาตั้งใจให้ฆ่าเขาตายแต่ก็ตายเพราะอะไรตายเพราะกรรมของเขาไม่ใช่ตายเพราะเราแตผิดไหมไม่ผิดไม่เราม่ผิดลราบาปไหมไม่บาปไม่ใช่เราเราไปโดยอะไรทําอะไรทุกเหตุผลเหล่านี้มันอยู่ในใจเราตลอดมันทําให้เราไม่มีนิวรณกวนใจไม่ลังเลสงสัยไม่สงสายจริงไหมจบแล้วมันก็จบ การปฏิบัติมันก็โดยตรงเนี้ยเป็นข้อสรุปไม่ใช่โดยว่าเรานั่งวิจารณ์โดยความเข้าใจว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วมันแค่นั้นแหละรู้แล้วเข้าใจแล้วมันรู้มเัเสียของขายแล้วล่ะไม่ใช่เป็นรู้นะรู้มานานแล้วนะอะอ่ะวันนี้ก็ขาไปเยอะนะเนี่ย อ, อมาตั้งใจที่ส่งกสิณนนะ พลังบุญยะทลังเป็นละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำจนแล้วณโอกาสนี้ขออุทิศส่งกุศนี้ให้แต่เ จ, เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตเป็นถึงปัจจุบันขอให้ท่านจงไห น, นจงโมทนา จงเอาหัวติด ก, กรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่แบบนี้จบบเ้าเข้าสุา่พระนิพพานและขอที่สุขผลนี้ให้แก่ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ตกปา ร, รักษาข้าพเจ้าทีะข้าพเจ้าทั้งหลายที่อาศกุลละทิพกและพญายมราช ขอพระเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชโปรดโมทนาทปโปรดเป็นสถิตพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพรเจ้าใน ค, ร, ใน ร, ครั้งนี้ด้วยเปรดและขอที่สุกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่จะไว้ตามสุกอยูกกย่ก็ดีจะว้ตามสึกอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดี นิสัิกด็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมตนาเป็นญาระประโยชน์ตามสุขเช่นเยวกับข้าพเจ้าจะเป็นญาติและการระบาดเจนี้เคยคนละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บันเท็งแล้วณโอกาสนี้ขอคนละบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในาตตปัจจุบันดยเนจทามริาตุระตาริตเรนติสักะรัเอวกเนวบกอิโตจินังเตตานังอุปกาตปิอิชิตังทจิตังตุมหังคิตาเนวัสตานิสต สัพเพเพรินตุสังกัปปะ n ัญโถปนาระโทนยัคขาปณิโสปิราชโทนยัคขาสักขีจีโยมีวัชัน a ตสัพโรโขวินสโตมาเตสวรัต t ระโยตขที่ขายโกเวอภิวาตนสีริสันิจังวุฒาปัจจายุโนตตาโร อมารัชนติอัญญ Ta ุปนโนสุขังภะหลังอะระหังสมมาสัมพุทโธพโกวาปุชังพโกวันจังอะคิวายเทมิปะราคาเตอพะวัตตาเตมุอมังนมมะสะมิ ต่อตัดิัโวโตากาังโคตังลมามีมนาทุคนนะอดันทางกลับกระตอดไทยจากอันจารยายทั้งโรงนะหลับตรงต่อตรงงบ้านก็เลยท่านอกนไปกันเลยนะ